มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่สามิกษุจงใจพยายามน้ำอสจิสีเหมือนเปลียงและสีเหมือนน้ำท่าน้ำอสจิสีเหมือนเปลียงและสีเหมือนน้ำมันน้ำอสจิสีเหมือนเปลียงและสีเหมือนนมสดน้ำอสจิสีเหมือนเปลียงและสีเหมือนนมส้มภิกษุจงใจพยายามน้ำอสจิสีเหมือนเปลียงและสีเหมือนเนยใสเคลื่อน ต้องอบัตสังฆาทิเศษพิกษุจงใจพยายามน้ำอสจิสีเหมือนเปียงและสีเขียวน้ำอสจิสีเหมือนเปียงและสีเหลืองน้ำอสจิสีเหมือนเปียงและสีแดงภิกษุจงใจพยายามน้ำอสจิสีเหมือนเปียงและสีขาวเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษ